คำว่าเที่ยวจาริกไปคือเที่ยวจาริกไปในหมู่บ้านมีกําหนดระยะชั่วไก่บินตกต้องระบัดปาจิตตีทุกๆระแวกหมู่บ้านเที่ยวจาริกไปในป่าไม่มีหมู่บ้านต้องระบาดปาจิตตีทุกๆครึ่งโยธ